ทำไมพระภิกษุเมืองไทยจึงโกนคิว้วมีเรื่องเล่ากันมาว่าในสมัยก่อนพระภิกษุเมืองไทยก็ไม่ได้โกนคิ้วเหมือนกันแต่ในครั้งที่บ้านเมืองมีสงครามลบทับจับศึกกันกับประเทศพา ม, าม่ามีข้าศึกสายลับชาวพามา่าได้ปลอมตัวเป็นพระภิกษุเข้ามาสืบข่าวในกรุงศรีอยุธยา เมื่อเบื้องบนได้ทราบข่าวจึงมีรับสั่งให้พระภิกษุทั่วกรุงโกนคิ้วเพื่อที่จะได้ทราบว่าพระภิกษุรูปไหนเป็นคนไทยหรือรูปไหนเป็น่าศึกชาวพม่าที่ปลอมตัวมาเพราะถ้าเป็นฆาศึกชาวพม่าที่ปลอมตัวมาเป็นพระภิกษุจะโกนแต่ผมไม่โกนคิ้วก็จะสามารถจับตัวได้ แม้เหตุการณ์บ้านเมืองจะสงบไปนมนานแล้วสักเพียงไรพระพิสุกชาวไทยเราก็ยังคงปงผมและโกนคิ้วกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาส่วนข้อเท้จริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องไปศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันต่อไป ถ้าพูดถึงพระวินัยบัญญัติแล้วไม่ว่าจะโกนคิ้วหรือไม่โกนคิ้วก็ไม่ได้ผิดพระวินัยหรอกเพราะไม่มีพระพุทธบัญญัติให้โกนคิ้วแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีคิ้วเพราะพิการผิดปกติมีพระบัญญัติห้ามบวชถ้าอุปชารู้อยู่แล้วยังขืนบวชให้ก็ต้องอาบัตทุกกฎแต่ผู้ที่อุปสมบทก็เป็นพระภิสุ ไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดหลวงพ่อเองก็โกลคิ้วตามเขาเหมือนกันเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามไม่อย่างนั้นก็อยู่กับเขาไม่ได้โยมไฉไลนึกภูมิใจว่าหลวงพ่อของเราก็มีความรู้ทางพระวินัยพอสมควรแต่ทำไม จึงไม่ปฏิบัติตามพระวินัยคงเป็นเพราะไม่ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีคือวัดที่มีการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและไม่ได้กัลยะาณมิตรคือพระภิกษุผู้ทรงธรรมทรงวินัยคอยชี้แนะจึงวกเข้าเรื่องเดิมคือการน้อมนำให้หลวงพ่อเห็นประโยชน์ในการรักษาภาวินัยและประพฤติตามพระธรรมต่อไปว่า ยมขออนุโมทนาที่หลวงพ่อให้ความกระจ่างทำให้หายสงสัยหายขังแครงใจยมรู้สึกว่าหลวงพ่อก็มีความรู้มากพอสมควรถ้าหลวงพ่อปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ยมจะชื่นชมและเป็นสุขมากกว่านี้ทีเดียวหลวงตาสงบอมยิม้มรู้สึกมีใจสมนัด ที่ยงมลูกสาวชื่นชมยินดีอนุโมทนาในความรู้ของตนยมคิดว่าถ้าพระพิสุรู้จักตนเองและมีสามัญสำนึกในความเป็นพระพิสุมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายมีเป้าหมายที่ถูกต้องในการบวชเป็นพระสุปฏิปันโนประพฤติดีปฏิบัติชอบ ญาติยมก็ต้องเลื่อมใสและเข้ามาดูแลอุปถัในเรื่องของความสะดวกสบายทางด้านปัจจัยสี่ตามความเหมาะสมอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีใครมาดูแลขอให้ปฏิบัติจริงๆเถอะหลวงตาสงบกล่าวแย้งว่า โยมพูดดีฟังดูง่ายแต่ปฏิบัติจริงๆมันยากไม่เห็นมีใครปฏิบัติตามที่โยมพูดซักเท่าไหร่สินในพระปาติโมก227ข้อนอกพระปาติโมกอีกเป็นแสนเป็นโกรข้อใครจะไปปฏิบัติตามได้อาศัยปงอาบัติเอาทุกๆวันก็ใช้ได้แล้วจะปฏิบัติอะไรให้มันเคร่งนัก มันตึงเกินไปไม่เป็นมัชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางถ้าให้หลวงพ่อปฏิบัติอย่างที่โยมว่าคงจะอยู่กับภาพพิสุทั่วไปไม่ได้อยู่วัดนี้ก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครเขาปฏิบัติกันจะทำให้ตนเองเดือดร้อนทำให้คนอื่นไม่พอใจด้วยโยมลูกสาวกล่าวชี้แจงต่อหลวงพ่อว่าภาพพิสุ ที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดได้ในยุคนี้มีน้อยก็จริงแต่ก็ยังมีอยู่ยมคิดว่าพระพิสุที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้โดยไม่มีข้อแม้นั้นท่านจะต้องมีความจริงใจต่อพระพุทธศาสนาและมีปัญญาเห็นทุกจริงจริงจึงกล้าที่จะปฏิบัติตามพระวินยัย ไม่ว่าจะมีกี่แสนล้านโกดข้อก็ตามศีลเป็นอริยทรัพย์ยิ่งรักษาศีลได้มากเท่าไรก็มีทรัพย์มากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่หรือเจ้าคะและการรักษาพระวินัยทั้งหมดไม่ใช่เป็นความเคร่งหรือตึงเกินไปแต่เป็นมัชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถ้าตึงเกินไป พระพุทธเจ้าคงไม่บัญญัติให้พระภิกษุปฏิบัติตามหลอกเจ้าค่ะเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณามากกว่าใครในสากลโลกพระองค์คงไม่ทรงต้องการให้สาวกของพระองค์เป็นอยู่อย่างลำบากหลอกเจ้าค่ะแต่พระวินัยเป็นศีลที่เป็นพื้นฐานของการเจริญกุศลขั้นสูงขึ้นคือสมาธิ และปัญญาถ้ารักษาวินัยไม่ได้แล้วจะเจริญสมาธิอบรมปัญญาได้อย่างไรเล่าเจ้าคะนอกจากจะต้องรักษาพระวินัยแล้วก็ยังจะต้องมักน้อยสันโดษชอบสงัดมีการสำรวมอินทรีย์หก รู้ประมาณในการฉันอาหารยังมีข้อปฏิบัติอีกตั้งหลายอย่างที่จะช่วยเสริมให้การเจริญสมาธิและวิปัสสนางอกงามมีผลไพยบูญยิ่งขึ้นถ้าไม่รักษาพระวินัยไม่เพียงแต่จะเจริญกุศลขั้นสูงไม่ได้แล้วแต่ยังเป็นเหตุให้เพิ่มภูลบาปอากุศลธรรมเหล่าอื่นอีก ทำให้ไม่มีการสำรวมอินทรีย์ไม่สันโดษไม่ชอบสงัดไม่รู้ประมาณในการบริโภคทุจริตต่างๆก็ได้ช่องทวีคูณหลวงพ่อลองคิดดูว่าถ้าภาพพิสุจไม่มีสีมรณะภาพแล้วโอกาสของการไปสู่สุขติภูมิกับโอกาสของการไปสู่อบายภูมิ อย่างไหนจะมากกว่ากันเจ้าคะหลวงตาจ้องหน้าโยงมลูกสาวเริ่มรู้สึกลำคาญใจว่าเจ้าลูกสาวคนนี้มันจะเป็นลูกของเราหรือจะเป็นแม่ของเรากันแน่มันช่างจูจีพิริพิไหลจริงจริงแต่อีกใจหนึ่งก็รับฟังเหตุผลที่ยมลูกสาวพูดมาว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามเป็นจริงแต่เป็นสิ่งที่ถูกละเลยจนแม้ใจของหลวงตาก็ไม่อยากจะยอมรับและด้วยคำพังเพยที่ว่าทิฏฐิพระมานะ ก, กษัตริย์จึงทำให้หลวงตาเถียงข้างๆคู่ๆไปว่าโยมนี่สงสัยจะบรรลุธรรมเสียแล้วลรือาตมาว่าพระพิสุ ที่จะรักษาภรวินัยได้ทั้งหมดคงจะต้องเป็นพระอาหารหันต์เสียก่อนกัมมังจะมีผู้ที่รักษาได้สักกี่รูปกันเชียวส่วนคนที่ตายแล้วไม่ต้องไปสู่อบา ย, ยภูมิก็มีแต่พระอริยะเจ้านั่นแหละอย่างเราเรนี่ตายแล้วก็ไปตกนรกหมกไหมได้ทั้งนั้นโยมจะเดือดร้อนอะไรกันนักหนาไปคอยดูแลลูกผัวให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมจะไม่ดีกว่าหรือ โยมลูกสาวถูกลงพ่อเน็บแนมประชดประชันก็รู้สึกอ่อนใจแต่ด้วยความเป็นลูกซึ่งมีหน้าที่จะต้องตอบแทนคุณผู้บังเกิดก้าวก็สู้อดทนพอได้ฟังธรรมมาว่ามารดาปิดาเป็นผู้มีคุณผู้ที่ให้ชีวิตให้ลืมตา ม, มาดูโลกนี้จนกระทั่งได้มีบุตรภริยา สามีทรับสมบัติทั้งหมดทั้งปวงที่มีอยู่ในขณะนี้ก็ด้วยความเมตตาของมานดาปิดาที่อนุญาตให้อยู่ในท้องอนุญาตให้คลอดออกจากท้องตามการละสมควรไม่เอาออกก่อนถึงเวลาแล้วยังเลี้ยงดูทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงจนกระทั่งโตใหญ่ตั้งตัวตน เป็นคนมาได้จนถึงทุกวันนี้โยมไยไลย้อนและลึกถึงข้อธรรมที่ได้ศึกษามาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงบุคคลที่กระทำตอบแทนคุณไม่ได้ง่ายโดยแสดงไว้ในพระสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายทุกกะนิบาทสมจิตตะวักที่สี่ สูตรที่สองหน้า357มีข้อความว่าดูก่อนพิษุกทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่บุคคลทั้งสองท่านบุคคลทั้งสองท่านคือใครคือมารดานหนึ่งบิดานหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลาย บุดพึงประครับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประครับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิต1น0ปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดเฟ้นการให้อาบน้ำและการดัด ก, กายและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาร ะ, ะปัสวะ บนบาด ท, ทั้งสองของเขานั่นแหละดูก่อนพิสุกทั้งหลายการกระทาอย่างนั้นยังไม่ได้ชื่อว่าอันบุตรทมแล้วหรือกระทำตอบแทนแล้วแก่มารดาปิดาเลยดูก่อนพิสุทั้งหลายอันหนึง่งบุตรพึงสถาปนาบิดามารดา ในราชสมบัติอันเป็นอิสราทิปัดในแผ่นดินอันมีลัตนะเจประการมากหลายนี้การกระทากิจอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทมแล้วหรือกระทาตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำลุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตนีให้สมาทานตั้งมั่นในจาระสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาดูก่อนพิสุททั้งหลายโดยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละการกระทําอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรทาแล้วและกระทําตอบแทนแล้วแกม่มารดาบิดาจบสูตรที่สอง เมื่อได้รู้ซึ้งถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ตอบแทนคุณมารดาบิดาให้ถูกวิธีโยมไฉไลจึงเกิดอุตสาหะในการที่จะชักนำพระหลวงพ่อประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมและภาวินัยราวกับว่าได้กําลังใจจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงเทศนาสั่งสอนโดยเสด็จมาอยู่เฉพาะหน้า จึงได้กล่าวต่อหลวงตาต่อไปว่าหลวงพ่อเจ้าคะ่ะยมพูดจริงๆด้วยความเคารพนะเจ้าคะ่ะคือถ้าหลวงพ่ออยู่เป็นพระพิสุแล้วสามารถประพฤติปฏิบัติรักษาสี่วัดได้อย่างบริบูรณ์ก็จะเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านที่มาทำบุญด้วยเป็นประโยชน์ต่อการบาเพ็ญบารมี ของหลวงพ่อด้วยและโยมก็จะใครกังวลไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใ ย, ยมากแต่ถ้าหลวงพ่อไม่สามารถรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้บริบูรณ์ได้โยมกลัวว่าหลวงพ่อจะเป็นหนี้ก้อนข้าวของชาวบ้านซึ่งจะทำให้เป็นโทษต่อหลวงพ่อทั้งในปัจจุบันโลกนี้และในสัมป라이ภพคือโลกหน้าด้วยนะเจ้าคะ่ะ เพราะฉะนั้นโยมจึงอยากให้หลวงพ่อพิจารณาให้ดีถ้าเป็นพระพิสุทที่ทรงธรรมรักษาวินัยไม่ได้โยมคิดว่าเป็นคฤหัสถ์ที่ดีก็น่าจะได้โยมเองสามารถดูแลหลวงพ่อได้จนตลอดชีวิตแน่นอนเจ้าค่ะหลวงตาสงบ พอได้ยินดังนั้นก็เกิดกังขาและโทสะขึ้นทันทีจึงพูดเสียงแข็งออกไปว่าโยมพูดอย่างนี้จะมาชวนให้ศึกหาลาเพศหรือไหร่ไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือธรรมดาชาวบ้านทั่วไปมีแต่เขาอยากให้ลูกหลานหรือให้ญาติญาติบวชอยู่นานๆบวชได้ตลอดชีวิตยิ่งดีมีแต่อนุโมทนาสาธุการ จะได้เกาะชายผ้าเหลืองนี่อะไรจะมาชวนก็ให้ศึกเดี๋ยวก็ตกนรลกหลรอกจะบอกให้โยมลูกสาวเก่งกลัวพ่อเข้าใจผิดคิดเป็นอื่นไปว่าไม่กลัวบาปกลัวกรรมจึงกล่าวท้วงขึ้นมาทันทีว่าโยมกราบขออภัยเจ้าค่ะโยมไม่มีเจตนาจะร่วงเกินหรือลบหลู่แต่อย่างใดแต่กลัวไปว่า โทษภัยจะเกิดแก่หลวงพ่อเท่านั้นโทษภัยจากอะไรก็จากการกระทําของหลวงพ่อเองถ้าหลวงพ่อทรงศีลปฏิบัติตรงตามธรรมวินัยได้ถูกต้องโยมก็จะอนุโมทนาสาธุการอย่างยิ่งแล้วก็จะตั้งใจดูแลอุปถากอย่างดี แต่ถ้าหลวงพ่อปฏิบัติตามพระธรรมและรักษาพระธรรมวินัยไม่ได้ก็ย่อมจะมีโทษย่อมกลัวว่าโทษภัยนั้นจะมาตกต้องถึงหลวงพ่อจึงขอให้หลวงพ่อรักษาตัวให้ดีโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่าไปทำตามพระพิสุส่วนใหญ่ที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระวินัยบัญญัติแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามพระวินัย หรือถ้าปฏิบัติตามไม่ได้ก็ควรลาสิกขามาเป็นคราหัตจะได้ไม่มีโทษหรือแม้ทําผิดศีลธรรมก็มีโทษน้อยกว่าการเป็นพระพิสุที่ไม่รักษาศีลถ้าหลวงพ่อเป็นพระพิสุอยู่จนตลอดชีวิตเมื่อมรณะภาพแล้วไปเกิดในอบายภูมิ จะให้โยมยินดีได้อย่างไรเล่าเจ้าคะโยมจริงพยายามที่จะชี้แจงให้หวงพ่อเข้าใจว่าการบวชเป็นพระพิษุแล้วศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเป็นการรักษาพระศาสนานั้นมีผลมีอานิสงส์มากแต่การไม่รักษาไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เป็นการไม่รักษาพระศาสนาซึ่งเท่ากับเป็นการย่มยีทําลายพระศาสนาไปในตัวย่อมจะมีโทษมากยมคิดว่าการทําอย่างนี้เป็นความรักเป็นความห่วงใหญ่ในตัวหลวงพ่อรวมทั้งพระศาสนาด้วยควรจะเป็นบุญกุศลมากกว่าเป็นบาปนะเจ้าค่ะ หลวงตาสงบฟังคำที่ยมลูกสาวภรลนามาก็นึกเห็นด้วยในใจแต่ก็ยังไม่ยอมรับตรงๆว่าปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ได้ทั้งหมดทั้งยังมีมานะถือตัวว่าเป็นถึงพระครูจบนักธรรมเองจะให้คาลวาดซึ่งเป็นโยมลูกสาวและเป็นผู้หญิงด้วยมาเทศนาสั่งสอนได้อย่างไร มันเสียชั้นเชิงของพระนักเทศหมดจึงได้แสดงภูมิรู้ที่เคยศึกษามาจากคำพีมิลินทปัญหาเกี่ยวกับพระทุศีลว่าโยมเอ้ยถึงแม้อัตมาจะไม่สามารถปฏิบัติรักษาพระวินัยได้ครบถ้วนก็ยังดีกว่าพระทุศีลและถึงแม้จะเป็นพระพิสุขทุศีล ก็ยังมีคุณธรรมมากกว่าเครือหัสทุศีลถึง10บประการยังสามารถทำให้ทักษีนาทานของโยมหมดจดได้โยมทราบหรือเปล่าล้วว่าพระทุศีลเป็นอย่างไรและมีคุณธรรมอะไรบ้างหลวงพ่อถือโอกาสลองภูมิโยมลูกสาวดูสิว่ารู้จริงหรือเปล่าโยมชายไลกล่าวตอบว่า โยมไม่ทราบหรอกเจ้าค่ะนิมนต์หลวงพ่อกรุณาแสดงเถิดเจ้าค่ะโยมกำลังรอฟังหลวงตาสงบจึงกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีอัตมาจะว่าให้ฟังพระทุศีลก็คือพระที่ไม่รักษาภาวินยัยมีศีลอันชั่วหมายถึง พระที่ต้องอาบัติปารชิกหรืออาบัติสังฆาทิเศษเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ถ้าต้องอาบัติเล็กๆน้อยๆเขาเรียกว่ามีอาจระบิบัตยังไม่เรียกว่าทุศีลหลอกแม้ว่าจะเป็นพระพิสุท์ทุศีลแต่ก็ยังมีคุณธรรมยิ่งกว่าคฤหัสถุศีลถึง1ิประการด้วยกันคือพระทุศีล มีคุณธรรมยิ่งกว่าคุณธรรมทุตสีลสิบประการข้อที่1่ยังเป็นผู้มีความเคารพในพระพุทธเจ้าข้อที่สองยังเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรมข้อที่สยังเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ข้อที่สยังเป็นผู้มีความเคารพ ในเพื่อนสหพมจารีข้อที่สยังเป็นผู้ที่มีความเคารพในเพื่อนสหพมจารีข้อ5ยังพยายามในอุทเทศและปริปุจชาข้อที่6ยังเป็นผู้มากด้วยการสดับตับฟังข้อที่7จ็ดพทุศีลแม้ว่าศีลขาดไม่เป็นพิสุแล้วไปในถ้ำกลางบริษัท ก็ยังรักษาอากัปกิริยาไว้ได้รักษาความประพฤติทางกายทางวาจาไว้ได้เพราะกลัวการติเตียนข้อที่8ยังมีจิตบ่ายหน้าตรงต่อความเพียรข้อที่9ยังเป็นผู้เข้าถึงสมัญญาว่าพิสุขข้อที่10พระทุกสิงแม้เมื่อจะทำกรรมชั่ว ย่อมประพฤติอย่างปิดบังเปรียบเหมือนว่าหญิงมีสามีย่อมประพฤติชั่วเฉพาะแต่ในที่ลับเท่านั้นโยมชัยไลตั้งใจฟังอย่างสนใจแต่ก็เกิดความโงนสนเทาว่าพระทุศีลจะมีคุณธรรมอย่างที่หลวงพ่อแสดงได้อย่างไรหลวงตาสงบสังเกตรู้ว่า โยมลูกสาวมีความสงสัยจึงอธิบายให้ฟังต่อไปว่าข้อที่หนึ่งสองสพระทุศีลแม้ว่าจะไม่รักษาศีลจนถึงกับต้องอาบัติปราชิงแล้วแต่ก็ยังเคารพพระรัตนไาตายอยู่เพราะยังมีการไหว้พระสวดมนต์กล่าวไหว้พระเจดีย์กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์อยู่ข้อที่สยังเคารพเพื่อนสะพมจารีเพราะยังมีการกราบไหว้ทำสามีจิกรรมแก่พระพิสุ ด, ด้วยกันตามลําดับพรรษาข้อที่หยังมีการศึกษาเล่าเรียนแม้ว่าไม่ได้มีการศึกษาภระไตรปิตกโดยตรงแต่ก็ยังมีการศึกษานักธรรมหรือภาษาบาลี จะเพื่อต้องการเป็นพระมหาหรือว่าเพื่อต้องการเป็นปริญญาบัตรเพื่อความก้าวหน้าในวิชาการทางโลกก็ตามข้อที่6ยังมีการสดับตับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะเป็นไปเพื่อการเป็นนักเทศเพื่อต้องการกันเทศเพื่อต้องการลาบสักกาละชื่อเสียงก็แล้วแต่ข้อที่7ยังรักษาอักกับกิริยาของสมณนะ ในท่ามกลางบริษัทเพราะกลัวการติดเตียนเช่นการนั่งพับเพียบเรียบร้อยการกราบไหว้พระเถระการแสดงอาบัตทุกวี่ทุกวันถึงแม้จะไม่รู้ว่าเป็นอาบัตอะไรบ้างอันนี้ก็ยังเป็นการดำรงประเพณีในพระพุทธศาสนาข้อที่8ยังมีการทำความเพียรเช่น เมื่อได้เข้าไปอยู่กับพระพิสุผู้มีศีลปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติตามยังมีความเพียรในการท่องสาธยายมนแม้ว่าจะเป็นไปเพื่อจะได้ใช้สวดในกิจนิมนต์ต่างๆก็ทำให้มีการทรงคำสอนส่วนหนึ่งไว้ข้อที่9ใครๆก็ยังเห็นว่าเป็นภิกษุให้ความเคารพนบน้อม กราบไหว้ทำให้เขาเหล่านั้นเกิดกุศลจิตเป็นทัศนานุตริยะได้การเห็นที่ประเสริฐข้อที่10แม้ว่าจะทำความชั่วก็ไม่ทำอย่างเปิดเผยยังมีความละอายเพราะมีความสำคัญหมายว่าตนยังอยู่ในเพศพิสุกนอกจากนั้นพระพิษุกทุศีลยังสามารถ ทำทักษินาทานของโยมให้หมดจดได้ด้วยเหตุสิบประการพระทุกสีชำระทักษินาทานให้หมดจดได้ด้วยเหตุสิบประการข้อที่หนึ่งเพราะทรงเสือกก้อกะคือผ้ากาสาวพัดอันหาโทษมิได้ข้อที่สอง เพราะการได้ทรงเพศของคนหัวโล้นผู้มีสมัญญาว่าภิกษุข้อที่สเพราะความเข้าถึงความเป็นตัวแทนของทรงที่เขานิมนต์ข้อที่สเพราะความเป็นผู้เข้าถึงผรัตนาไตาเป็นสาระข้อที่หเพราะเป็นผู้ถืออนิเกตวาสีเป็นประธานคือไม่ติดที่อยู่ไม่อยู่คองเลือน ข้อที่6เพราะมีการสแสวงหาทรัพย์คือศาสนาของพระพุทธเจ้าข้อที่7เพราะมีการแสดงธรรมอันยอดเยี่ยมข้อที่8เพราะมีพระธรรมเป็นปฏิปส่องคติไปที่ในเบื้องหน้าข้อที่9เพราะมีความเห็นตรงว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดบุคคลข้อที่สิบ เพราะความมีการสมาทานอุโบสถมีการกระทําอุโบสถพอโยมลูกสาวทําท่าจะเอ่ยปากถามหลงตาก็ชิงพูดขึ้นก่อนโดยอุปนิสัยของพระนักเทศจึงได้กล่าวอธิบายต่อไปว่าข้อที่หนึ่งพระภิกษุทุกศีลยังนุ่งหมาา่มผ้าไตรจีวร อ, อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์พบเห็นที่มีศรัทธา สามารถน้อมไปถึงพระอริยะเจ้าได้ข้อที่สองยังโกนหัวทรงเพศพิสุ์อันแสดงถึงความมักน้อยสันโดษสระจากกรรมมคุณอันเป็นที่น่าเลื่อมใสข้อที่สมเมื่อพระพิษุทุศีลเป็นตัวแทนของสงฆ์ที่เขานิมนต์ทายกผู้ถวายทาน ตังจิตน้อมถวายต่อสงฆ์ด้วยความนอบน้อมยำเกรงทานนั้นก็เป็นสังฆทานแม้ว่าภิกษุผู้รับจะเป็นภิกษุทุศีลต้องปราชิกแล้วก็ตามข้อที่สี่แม้ว่าเป็นผู้ทุศีลก็ยังนับถือพระลัตนไตว่าเป็นที่พึ่งการถึงพระรัตนไตว่าเป็นสาระมีผล มีอ น, นิสงฆ์มากกว่าการถวายวิหารทานแก่สงฆ์ที่มาจากจตุรทิศการให้ทานแก่พูดถึงพระรัตนาตรัยว่าเป็นสรณะก็ย่อมมีผลมีอ น, นิสงฆ์มากข้อที่หถึงเป็นพิสุผู้ทุศีลก็เป็นผู้สละเลือนอันเป็นเครื่องหมายของกา ม, มคุณห้าย่อมเป็นที่น่าเลื่อมใสแก่คลือหัดผู้คลองเรือนข้อที่ห อย่างน้อยก็ยังได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐบ้างไม่มากก็น้อยข้อที่7ยังมีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐซึ่งมีผลมีอ น, นิสงส์มากทั้งแก่ตนเองและผู้ฟังข้อที่8มีพระธรรมเป็นแสงสว่างเป็นเหตุให้ ไปสู่สุขติซึ่งก็ต้องแล้วแต่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วจะให้ผลก่อนด้วยข้อที่9เพราะมีความเห็นตรงเชื่อ ว, ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เลิศในโลกย่อมมีผลให้เป็นเนื้อนาบุญได้ข้อที่10เพราะสมาทานอุโบสถคือฟังพระปาติโมกอันเป็นศีล ของพระพิสุเป็นการทำอุโบสถทุกกึ่งเดือนในวันอุโบสถเป็นการสืบทอดศาสนาให้ดำรงอยู่แม้จะเป็นเพียงรูปแบบเพราะไม่ได้ตั้งใจในการรักษาศีลและฟังภาษาบาลีไม่เข้าใจก็ตามหลวงตากล่าวต่อไปว่าโยมเห็นไหมถึงจะเป็นพิสุทุกศีลต้องอาบัตหนักแล้ว ก็ยังมีคุณธรรมสามารถเจริญกุศลได้มากและได้ดียิ่งกว่าคฤือหัดที่ทุศีลเสียอีกโยมทําสังฆทานกับคฤือหัดมีศีลด้วยกันก็ไม่ได้ไม่เป็นสังฆทานแต่สามารถทําสังฆทานกับภาพภิษุกทุศีศลแม้ต้องอับัตปราชิกแล้วก็ตามเมื่อโยมรู้รู้อย่างนี้ยังอยากให้อัตมา ลาสิขาอีกหรือถ้าอาตมาสึกไปเป็นคฤหัดแล้วสำ ม, มะเลเทเมาเหมือนเมื่อก่อนเหลวไหลไม่ทำบุญทำแต่บาปกรรมโยมจะว่าอย่างไรโยมยไฉไลรู้จักนิสัยของหลองตาดีว่า ไม่ยอมสีโลลาบให้แกะไขง่ายๆต้องใช้ขันติและวิริยะภาคเพียนเพื่อจะทดแทนพระคุณต่อไปจึงได้กล่าวว่าที่หลวงพ่อยกเรื่องพระพิสุทุสีมีคุณธรรมมากกว่าข้ารือหัดทุสีนสิบระการนั้นโยมไม่อยากจะเถียงหลวงพ่อหรอกนะเจ้าคะ่ะต้องขออภัยด้วยเจ้าคะ่ะแต่พระพิสุทุศีน หรือพระพิสุที่ไม่เอื้อเฟื้อในการรักษาศีลให้ครบถ้วนมีการประพฤติตามกฎเยณนข้อวัดหรือระเบียบของวัดเช่นการสวดมนต์ไหว้พระตามเวลาการทำอุโบสถฟังพระปาติโมกการแสดงอาบัติหรือการเรียนการแสดงธรรมและอีกมากมายหลายอย่างหลวงพ่อก็แสดงแล้วว่าส่วนใหญ่ ก็เป็นเพียงรูปแบบทำตาตามกันจนเป็นประเพณีไปแล้วจะเป็นกุศลทำให้มีผลมีอานิสง์มากได้อย่างไรถ้าเปรียบเทียบกับขริฮัตทุศีลก็เป็นที่แน่นอนว่าขริฮัตทุศีลไม่สามารถบำเพ็ญข้อปฏิบัติได้เท่ากับพระพิสุทุศีเพราะเพศบังคับอยู่ในตัวในทางกลับกันเมื่อเทียบกัน ทางด้านการปฏิบัติต่อพระธรรมวินัยแล้วขรืหัดทุศีลไม่มีโอกาสจะทำลายพระธรรมวินัยได้เท่าไรแต่พระพิสุทุศีนกระทำการย่ำยีพระธรรมวินัยเสมอเสมอเป็นการลบล้างพระศาสนาซึ่งก็คือคำสอนเมื่อคิดถึงโทษอันจะบังเกิดขึ้นใครน่าจะมีโทษมากกว่ากันเจ้าคะ สำหรับการชำระทักษีนาทานให้หมดจดก็ด้วยอานิสงของการทรงภากาสาวพักการมีหัวโลนและการทรงเพศพระพิสุการชำระทักษีนาทานก็เป็นการชำระทานของขรรค์ที่มีศรัทธามีปัญญาที่น้อมใจไปถึงพระอริยสงฆ์แล้วให้ทาน แต่ไม่ได้มีผลต่อตั ว, ตวพระพิสุทุตศีลเลยกับเป็นโทษมากมายด้วยซ้ำไปเพราะใจของทายกผู้ให้ทานเขาตั้งใจถวายทานแก่ท่านผู้มีศีลแต่พระพิสุทุศีลมารับแทนก็เท่ากับว่าเป็นขโมยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าพระพิสุทุตศีลบริโภคปัจใจสีลของชาวแว่นแคว้น ผู้มีศรัทธาเรียกว่าเถรยะบริโภคคือการขโมยบริโภคใช่ไหมเจ้าคะถ้าโยมจำไม่ผิดลงตาสงบขณะนี้จิตไม่ค่อยจัดสงบเสียแล้วพอเริ่มเกิดความเดือดร้อนใจเนื่องจากเคยฟังเคยอ่านพระธรรมคำสอน ที่ยมลูกสาวกล่าวให้ฟังผ่านมาบ้างแต่ก็ไม่ได้นำมาใส่ใจเพราะไม่มีใครมาเน้นมาชี้ให้เห็นโทษของการไม่รักษาภวินัยหรือประโยชน์ของการรักษาภวินัยและการปฏิบัติตามธรรมหิเลและโอดต่อปะค่อยๆพุดขึ้นในใจของหลวงตาผู้ชื่อว่าสงบแต่ใจไม่เคยสงบจากกิเลส จ, จริงๆเลย ก็ได้แต่พยักหน้าแสดงอาการเห็นด้วยและมีอาการลดมานะทิฐิลงบ้างพร้อมที่จะฟังคำเสนอและคำแนะนำของโยมลูกสาวคนดีต่อไปโยมไฉไลสังเกตเห็นว่าหลวงตามีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคือตั้งใจฟัง เพราะเกิดความเคารพในพระธรรมวินัยที่ตนเองได้พยายามกล่าวการตั้งใจฟังนั่นแหละชื่อว่าเป็นการฟังด้วยความเคารพจึงกล่าวทำต่อหลวงตาต่อไปว่า